ตัวแทนของพระพุทธเจ้าตรงเนี้สําคัญหลวงพ่อมเขียนก็จะบอกอยู่เสมอๆหลวงพ่อเริ่มเทศปุ๊บหลวงพ่าก็จะบอกบอกว่าอ้างฟังธรรมต่อกันฟังมธรรมต่อกันบางคนไม่คิดว่ า, าต่อจากไหนต่อจากวันไหนกันก็ไม่ใช่ต่อจากวันไหนแต่ว่าต่อจากการที่เราสวดบทสวดมนต์ก็คือเป็นธรรมะที่พระุทธเจ้าได้ให้ไว้เราก็จะถ้าเราดู ต้องเรียกว่าดูเป็นบรรทัดต่อบรรทัดกันเลยนะดูเป็นวัดต่อวัดเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ให้ไว้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อย่างที่พวกเราสวดกันนะไถ่เลาะในเบื้องต้นไถ่เลาะในท่ามกลางและไถ่เลาะในที่สุดคือคำว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเวลาให้ทำเนี่ยพระเจ้าจะให้แบบนี้ตลอดก็คือมีลําดับ เป็นขั้นเป็นตอนมีลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเสมอๆอย่างเราสวดเ็าเริ่มสวดสอนเสริญพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์สามอั น, นการสอนเสริญพระพุทธก็เพื่อย้ำความศรัทธาย้ำความนับถือนะาพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไมครับาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะ คำว่าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็สามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเราเองและสามารถที่จะตรวจวัดผลได้ด้วยตัวเราเองตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ได้ยกขึ้นมาไว้ก่อนหรืออย่างพระธรรมระต่างๆก็บอกอย่างนะี้พระธรรมใช่ไหมครับสามารถทําได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการเนี่ย ตรงนี้เราก็บอกเอาไว้เสนออแล้วพออันที่สาบอกผู้สงฆ์พระสงฆ์แหะจะต้องทำอะไรกันบ้างคนที่เป็นพระสงฆ์ก็คือก็คืออย่างพวกเราเนี่ยนะก็เรียกว่าหมู่สงฆ์หมู่สังฆะแล้วอยู่ด้วยกันปฏิบัติทำตามกันก็ถ้าเราปฏิบัติดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องทบทวนนะเมื่อการปฏิบัติดีของเราเนี่ยเราหรือเปล่าบางคนถือดีมานถือดีแต่ว่า ไม่ล็อกคอบเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยตรงไหมคําว่าตรงก็คือหมายถึงว่าตรงเพื่อออกจากทุกข์หรือเปล่ า, าหรือว่าเรากําลังทําดีเพื่อจะอวดคนอื่นเพื่ออะ่งตานานาแบบนี้อันนั้นมันไม่ตรงแล้วอะไรเงี้ยตรงนี้นะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้ให้ไว้ตรงไหมก็พระเจ้าก็ทบทวนต่อเนะ้นว่าเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์หรือเปล่านะอย่างที่บอกว่าเราปฏิบัติธรรม เราก็ต้องมุ่งไปที่ตรงนา้นปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ถ้าเราทําเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยก็จะเพี้ยนไปก็จะไม่ได้ออหรือว่าพอบอกว่าเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์เนี่ยก็ยังมีทบทวนต่ออีกนิดนึงบอกว่าสมควรหรือเปล่าความสมควรเนี่ยหมายถึงว่าเราทําสมควรกับการปฏิบัติหรือเปล่ามีบทสวด บ, บทหนึงมีบทพระธรรมบทหนึง่ง ที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทําอันเลวย่อมมีไม่ได้เลยอย่างเนี้ยก็นี่ก็คือคำว่าสมควรเนี่ยก็คืออย่างนี้มาเราทําสมควรในการบรรลุธรรมไหมเราใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพียงพอกับการบรรลุธรรมของเราหรือเปล่าอะไรงเงี้ยตรงเนี้ย น, นี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้ให้รายละเอียดเอาไว้ต้องเรียนบ้า รายละเอียดพวกนี้เป็นรายละเอียดที่พระเจ้าได้ได้เหมือนกับได้เตือนได้บอกได้ย้ำพวกเราเนี่ยเป็นคำคำเป็นคำคำเป็นคำคำแล้วก็อย่างพอเมื่อเราเนี่ยปฏิบัติสมควรแล้วเนี่ยปฏิบัติสมควรแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ mm hmm. คือเกิดการที่พวกเราเนี่ยจะได้เป็นหนึ่งใน8ใช่ไหมบูรุษหรือว่าที่บอกว่า เป็นบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษถ้าเราทำแบบนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นนะบุรุษสี่คู่คืออะไรบุรุษสี่คู่ก็คือจะมีผู้ที่บรรลุโสดาบันผู้ที่บรรลุสกิทาคามีอนาคามีและอลหรหันคว่าผู้บรรลุเนี่ยมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้กาลังดาเนินไปถึงเพื่อการบรรลุทำในนั้นในช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็คือจะมี คนที่กำลังเดินทางคนที่บรรลุโสดาบันคนที่กำลังเดินทางต่อเพื่อบรรลุสกิทาคามีคนที่กำลังเดินทางต่อเพื่อที่บรรลุอนาธามีและคนที่กำลังเดินทางต่อเพื่อบรรลุพระอรหันต์ซึ่งตรงนี้นะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเทียงเราทำอย่างนั้นแหละเราก็กำลังเดินเข้าบนเส้นทางนั้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยในขณะที่พวกเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ อย่างถูกที่ถูกทางเนี่ยทุกเราก็กําลังเดินบนเส้นทางนั้นในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าการที่พระเจ้าได้เทศได้สั่งสอนเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนที่บรรุอหรหันต์ก็มีคนที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็มีตรงเนี้เป็นเพราะอะไรทําไมถึงได้ง่ายกันขนาดนั้น เ, เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นแต่ว่าอย่าง พออัญญะ อ, อัญญากรุณัญญาอย่างเงี้ยก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเพียรมามากมายเพียนมาเรียกว่าตลอดชีวิตอย่างน้อยสุดก็35ปีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาอย่างเี้จนกระทั่งพระเจ้าบรรลุธรรมเนี่ยอัญญากรุณัญญาก็เพียนมาตลอดแต่ว่าการเพียนตรงนั้นเนี่ยเป็นการเพียนที่ไม่ถูกทางพอพระพุทธเจ้าเสกิจว่าตรงเนี้ยเนาะเราเนี่ยใช่ไหมแบบว่า คือติดธรรมะทุกข์กับสุขอย่างบางคนก็มองเห็นว่าความสุขจะนำมาซึ่งความสุขบางคนก็มองเห็นว่าความทุกข์จะนำมาซึ่งความสุขซึ่งตรงนั้นพระเจ้าชี้ให้เห็นว่านั่นไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสองทางแต่ทุกข์กับสุขทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่จะนำไปถึงจุดของทุกข์กับสุขก็คือความทุกข์เหมือนกัน แต่ว่าพวกเราเนี่ยสิ่งที่ตรงท้ามกับทุกข์กับสุขก็คือความไม่ทุกข์ต่างหากซึ่งความไม่ทุกข์ตรงนี้แหละที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางพอผู้เจ้าสะกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ปัญญาชนัญญาก็เขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมได้มาทันทีว่าสิ่งที่ตัวเองทํามาเนี่ยผิดผิดตรงที่ว่าเราไปมุ่งนะการทรมานกายแต่ว่าสิ่งที่เราลืมไปก็คือการที่จะทํางานกับจิตใจ เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเนี่ยไ ด, ได้เทศได้เทศต่อไปต่อไปปัญญาคนยักษ์ก็ได้เขาเรียกว่าได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจนั้นพอเทศสับจบพระเจ้า ก, ก็มองเห็นว่าเ้ามีเขาเรียกว่าความเข้าใจมากขึ้นเหมือนอย่างที่เมื่อคืนนี้เราเห็นหลวงพ่อกำเขียนเนี่ยได้อธิบายธรรมเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าโคศพเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ย จะเป็นแบบว่าก็เรียกว่าถ้าพูดภาษาเขาเียกระบกกระบะมากเลยนะไม่รู้จักอะไรเลยแบบว่าจะเรียกหรือข้อก็ขอเรียกพระอาจารย์น้องอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เขินๆไปหมดนะแต่ว่าพอฟังเวลาฟังธรรมหลวงพ่อไปฟังเป็นลําดับลําดับลําดับเราจะมองเห็นว่าเขามีความเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นตรงนี้หลักที่พระเจ้าเองก็มองเห็นท่นัญญาควรสัญญาว่ามีความเข้าใจมากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นจนท้ายที่สุดเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่า อัญญาทัญญะเห็นธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้วซึ่งตรงนี้หละเป็นสิ่งที่คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีผลอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินเลยแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะแบบว่าเข้าใจได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่จบเพียงความเข้าใจ เมื่อดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็ต้องต่อกับการที่เอาสิ่งนั้นไปปฏิบัติตามจนกระทั่งทุก์ไม่มีตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญบางครั้งบางคนเห็นแล้วว่าจะต้องทำยังไงแต่เมื่อไม่ลงมือทำก็ไม่ได้ผลอย่างในพุทธการก็มีอีกมีพระพาหิยะนะที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ที่บรรลุอรหันต์เร็วที่สุดเนี่ยเพียงแค่พระเจ้าได้บอก ธรรมะไปก็บรรลุอลหรหันต์แต่ว่าเส้นทางของท่านพาหิยะไม่ใช่แค่เพียงมาฟังธรรมของพที่เจ้าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้คนเนี่ยหลงนับถือพระพาหิยะเนี่ยวาเป็นพระอหรหันต์หลงนับถือพระอะไรเพราะว่าวันที่ผู้คนเนี่ยได้เจอพระพาหิยะเนี่ยก็คือเจอด้วยการที่พระพาหิยะเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าติดตัวเนาะลอยน้ํา แต่บ่างเขาเรียกว่าถูกน้ำทะเลเนี่ยซัดมาจากกลางทะเลที่เรือล่มเนี่ยจนกระทั่งไม่มีเสื้อผ้าติดตัวผู้คนก็เข้าใจว่าออท่านพายิยะเนี่ยสระทุกอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้านะไม่เหลืออะไรเลยปล่อยวางหมดแล้วนะเหลือแต่ตัวร่ำจ้อนแสดงว่าบรรลุธรรมละเป็นพระอาหารหันต์ล ะ, ละผู้คนก็กลบบาบไปกันในขณะช่วงชีวิตที่ผู้คนกลับไปตรงนั้นเนี่ยพระพายะก็ ก็คงจะได้ปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เป็นพระอาหารหันต์อย่างที่คนเขาได้สรรเสริญกันตรงนี้แหละพอพระพายะเนี่ยได้ยินว่ามีพระอาหารหันต์จริงๆนะมาแล้วนะเกิดขึ้นแล้วนะพระพายะก็ถึงได้แบบว่ากระเสือกกระสนที่จะมาเจอพระพุทธเจ้ามีการเดินทางที่เรียกว่าภายในเวลาไม่กี่วันเนี่ยแต่ว่าเดินทาง ยาวมากๆเลยนะฮะหมายถึงว่าเรียกว่าฟังดูแล้วก็เหมือนกับไม่หยุดไม่หย่อ น, นเพียรที่จะมาเจอให้ได้แล้วพอมาเจอปุ๊บเนี่ยก็ขอฟังทำจากพระเจ้าพระเจ้าก็เห็นว่าความความอยากตรงนั้นอะยังเป็นความอยากที่มากมายเหลือเกินซึ่งความอยากตรงเนี้ยมันจะมาปจากของสิ่งที่เราเรียกว่าความสมควรพวกเราเองก็เหมือนกันว่าพวกเราทุกวันนี้มันมีความอยากหนัก พอมีความอยากนำเนี่ยสิ่งที่สมควรทำก็ไม่ได้ทำทำตามความอยากก็ทำตามความอยากเนี่ยผลก็คือความเกิดเนื้อล้อมใจพระเจ้าเองก็เห็นตรงนี้นะพระเจ้าเองก็พอคล้ายๆว่ า, า, าท่านปายิยากก็คล้ายๆว่ า, าสงบความอยากลงบ้างแล้วจนกระทั่งแบบตั้งใจสามารถที่จะตั้งใจฟังได้พระเจ้าก็ให้ทำบ้างถ้าเพียงแค่ ได้ยินสักว่าได้ยินเห็นสักว่าเห็นตรงนี้นะเห็นไหมสักว่าท่านพญายักษ์ก็คงจะได้ทบทวนไปนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเขาบอกว่าเป็นพระอาหารใจก็คงฟูขึ้นมาพอเวลาที่คนเขากราบไหว้ได้เห็นคนเขากราบไหว้ใจก็ฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าได้ยินก็สักว่าได้ยินเห็นก็สักว่าเห็ น, น, น ท่านไตญย์ะก็ได้ระลึกขึ้นมาทันทีว่าตรงนั้นแหละที่ทําให้เราทุกข์และตรงนั้นแหละที่เป็นสิ่งที่เราหลงอยู่เพราะฉะนั้นตรงนั้นท่านไตรญ์ะก็สามารถที่จะบรราลุอรหันต์ได้ ท, ทันทีซึ่งตรงนี้หมายถึงว่าเรามองเห็นว่าผู้ที่เคยปฏิบัติมาก่อนผู้ที่เคยเพียรมาก่อนผู้ที่ได้เคยทําจนสมควรมาก่อนเนี่ยการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีผลอย่างนั้น หรือว่าในพุทธการเองเนี่ยก็ยังมีอีกนะมีพระรูปหนึ่งที่เรียกว่าไม่ได้บวชกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าบวชกับพระอาจจะเป็นพระอราหันต์องค์อื่นๆอย่างเงี้ยนะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ทาให้คล้ายๆว่าอาจจะการบวชในพุทธการก็จะมีก็เรียกว่ามีพระบวชกันอย่างมาก บางครั้งก็อาจจะขาดตกบกท่องไปบ้างก็ท่านก็อาจจะยังไม่ทันได้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือทำยังไงท่านก็คอยติดตามฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ติดตามดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะไปไหนก็ตามดูตามฟังทุกที่นะไม่เคยขาดไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนครั้งไหนอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าเองเมื่อได้มีโอกาสพบนะอันนี้หลวงพ่อเทียนนะ ก็แปลแปลต่อมานะพระเจ้าพอมีโอกาสพบเนี่ยพระเจ้าก็ได้ถามถามมีคําถามที่ถามกับพระลูกนั้นเนี่ยตัวต่อตัวพระเจ้าก็ถามว่าถ้าท่านตายเนี่ยท่านจะเน่าไหมพระลูกนั้นก็ตอบว่าเนา่าพระเจ้าก็ถามว่ า, าถ้าตัวเราละตายตัวเราจะเน่าไหมก็พระลูกนั้นก็ทบทวนแล้วก็บอกว่าเน่าเหมือนกันละเหมือนอย่า พระเจ้าก็เลยถามคําถามที่สซึ่งคําถามนี้เป <met> erm ็นค you know ําถามที <met> erm <throughout> ่เ <men> ต <met> erm <os throughout> ือนสตินะพระเจ้าก็ถามว่าแล้วอย่างนั้นตรงไหนของเราที่เป็นพระพุทธเจ้าหมายถึงว่านั่นอ่ะการการที่พระลูกนั้นอ่ะคอยตามดูตามฟังคอยตามจับจีบอลอยู่เนี่ยตรงไหนล่ะที่เป็นพุทธเจ้าตรงนี้ล่ะฮะเป็นคําถามที่เตือนสติมากสิ่งที่ควรทําไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ตามดูตามฟังแต่เพื่อสิ่งที่ควรทําคือ การที่ทำงานกับจิตใจการที่พุทธเจ้าเป็นพรุทธเจ้าหมายถึงว่าจิตที่ฝึกดีแล้วไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นคนท่านซึ้นตัวเป็นคนก็เน่าตายเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตที่ปลึกดีแล้วต่างหากที่ทำให้เป็นพรุทธเจ้านั่นนั่นคือตรงนี้การที่พรุทธเจ้าได้เตือนสติตลงไปปุ๊บเนี่ยก็ทำให้พระรูปนั้นดวงตายกังทาขึ้นมาทันที ในพุทธการเราก็จะบอกว่าเมื่อดวงตายเห็นธรรมเนี่ยก็ไปปฏิบัติต่อ<ม>จนกระทั่งบรรลุพระอรหันต์เราจะพบว่าการที่เรารู้เห็นว่าเอ๊ะใช่ฟังธรรมของพระเจ้าแล้วมันสกิดใจเราสิ่งที่เราจะต้องทำกันต่อก็คือการปฏิบัติเพื่อให้เราได้ถึงธรรมอันนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคนในเมืองคนในกลุงหรือคนในยุคนี้เนี่ยจะมีข้อที่เาเรียกว่าข้อบกพร่องอันหนึ่งคือ เราเอาฟังให้เข้าใจแต่ว่าเราไม่ได้เอาปฏิบัติเพื่อให้เป็นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เป็นข้อบกพร่องวั น, วนนี้ทำไมคนที่เข้าใจธรรมมีน้อยเพราะว่าโลกของเราเนี่ยเป็นโลกที่มุ่งเนาะมุ่งเอาฟังมุ่งเอาถามให้เข้าใจถามให้แบบว่าเอาเข้าใจให้ได้เนาะฟังให้เข้าใจให้ได้ถึงจะลงมือทา แล้วพอลงมือทําก็ย่อๆใหญ่ๆกันซึ่งตรงเนี้เป็นข้อบกพร่องเพราะฉะนั้นนั่คือตรงนี้นะว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมั่นใจนะฮะว่าเราเนี่ยปฏิบัติเนี่ยก็คือบอกว่าอยู่บนเส้นทางเส้นทางที่หนึ่งก็คือเส้นทางที่จะไปจบลงที่พระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันก็คือการที่เรารู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงรู้ว่า กายนี้เป็นทุกข์รู้ว่าใจนี้เป็นทุกข์รู้ว่ากายนี้ไม่เที่ยงใจนี้ไม่เที่ยงตรงนี้แหละที่เรากําลังปฏิบัติทำกันการที่พวกเรากําลังยกมือสร้างจังหวะกันอยู่เป็นจังหวะเป็นจังหวะตรงนี้เราบอกว่าเราดูกายที่เคลื่อนไหวนะเราดูใจที่คิดนึกนะการที่เราเริ่มต้นสร้างจาาังหวะบางครั้งเนาะเราก็จะเปลี่ยนอิเลเมนต จากการนั่งสร้างจังหวะไปเป็นการเดินจงกรมพวกเราถ้าหากว่าไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ได้รีบร้อนเปลี่ยนอิริยาบถตรงนั้นเราจะพบว่าการเปลี่ยนอิริยาบถก็เพราะว่าเราไม่สามารถทนนั่งต่อไปได้แล้วการที่ไม่สามารถทนนั่งต่อไปได้แล้วเนี่ยก็จะมีสองส่วนด้วยกันก็คือส่วนหนึ่งบางครั้งนั่งนานจนทั้งกายเนี่ยทนไม่ไหว การที่นั่งนานจนกระทั่งกายทนไม่ไหวเราบอกว่าตรงนั้นกายเป็นทุกข์แล้วนั่ น, นคือตรงนี้ถ้าเราเห็นอยู่เป็นประจำแบบนี้เนาะเราก็จะพบว่ากายเนี่ยมีการเริ่มต้นที่ไม่ทุกข์แต่แล้วเลื่อนเลื่อนต่อไปลำดับต่อไปก็จะเป็นทุกข์พอเราเปลี่ยนอิเลียบทเนาะจากการนั่งเป็นการเดิ น, นก็เริ่มต้นจากการคลายทุกข์จากการนั่ง เดินแรกๆก็ไม่มีทุกข์เดินไปนานๆก็เมื่อยอีกละ่ะทุกข์อีกละตรงนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเราก็จะมองเห็นว่านี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ากายเป็นทุกข์แต่ทํานองเดียวกันบางครั้งนั่งก็ยังไม่ทันเมื่อยแต่อยากลุกแล้วนะ่ะอย่างนี้หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าใจเนี่ยมันทนไม่ได้ใจมันกําลังเป็นทุกข์ทนนั่งต่อไปไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่ากายทนไม่ได้แต่ใจทนไม่ได้ ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่านั่นก็คือใจมันเป็นทุกข์แล้วนะพอเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนยืนสักเดี๋ยวเดินสักเดี๋ยวหนึน่งอ้าวอีกแล้วไม่อยากเดินไม่อยากยืนอีกแล้วเอาอยากนั่งอีกแล้วอ่าก็ตรงเนี้ยนะนั่นคือตรงเนี้ยว่าความไม่เที่ยงของใจเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้แล้วนะอย่างนั้นทำนอเดียวกันในขณะที่เราเป็นธาตุของความคิดเขาเรียกว่าเขาบอกให้ลุกเราก็ลุกเขาบอกให้นั่งเราก็นั่งตรงเนี้ย เขาเรียกว่าเห็นความคิดเป็นตัวเป็นตนพอเราลุกเสร็จแล้วความอยากยืนก็เลิกไปแล้วหายไปแล้วอีกแล้วตัวตนมันก็หายไปอีกแล้วอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ต่างหากที่ว่าถ้าเราปฏิบัติทําไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราได้กลับมามองตัวเราเองได้กลับมาดูตัวเราเองนะการดูโดยที่ไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมาแต่ว่าดูกายดูใจดูกายดูใจไปตรงนี้ เราก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นไม่รักว่ากายนี้ไม่ทุกเห็นไม่รักว่ากายนี้ไม่เที่ยงเห็นไม่ลักว่ากายนี้ไม่มีตัวตนตรงเนี้ยทำนาเดียวกันใจก็เหมือนกันพระเจ้าก็บอกว่าเห็นไม่รักว่าใจนี้เป็นทุกข์นะใจนี้ไม่เที่ยงนะใจนี้ไม่มีตัวตนนะเมื่อก่อนเองก็เหมือนกันนะก็เคยว่าทำไมต้องพูดซ้ำหน้าซ้ำอีกอย่างนี้ทำไมต้องมาพูดทำไมไม่บอกกายใจเป็นทุกข์กายใจไม่มีตัวตนกายใจไม่เที่ยงทำไมไม่เป็นแบบนี้ แต่ว่าตรงนั้นต่างหาที่พระเจ้าได้แยกแยะออกให้ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่ากายใจรวมกันเป็นหนึ่งแต่ว่านี่คือกายก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นส่วนหนึ่งและธรรมนองเดกันการที่บอกว่าเห็นไม่ล่าบ้างกายนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่มีตัวตนตรงเนี้ก็คือลํำดับที่พระเจ้าเองเนี่ยได้พยายามลําดับให้พวกเราเนี่ยได้แยกแยะ ก, กันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะให้พวกเราเนี่ยได้พยายามที่จะปฏิบัติกันเนาะ มีศรัทธาก่อนว่าสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้ทำเนี่ยก็คือเป็นจริงๆ 2,600 ปีในปีนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้ทําให้ปรากฏทําให้ปรากฏขึ้นมาธรรมะครั้งแรกที่พระเจ้าได้ให้เนี่ยก็ให้กับปัญจมังคีให้ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนาะก็เรียกว่ากระดวงตาเห็นธรรมปัญจมังคีก็เป็นคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละเนาะแต่ว่าผ่านความเพียรมาก่อนเหมือนกับาเนี่ย กำลังเริ่มต้นความเพียรกันถ้าพวกเราทําความเพียรไปถึกที่ถูกทางเนี่ยเราก็ใช้เวลาไม่นานทำนองเดียวกันเนี่ยสิงเว่าอันนี้คือสิ่งที่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ให้เนี่ยจะผ่านป่าพระสารีบุตรบ้างจะผ่านปากพระโมคคัลลาบ้างหรือว่าจะผ่านปากพระอรหันต์รุ่นหลังๆบ้างตรงนเนี้ยเนาะธรรมะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ผิดไม่เพีย้ยนหลวงพ่อเข้มเขียนจะบอกว่าถ้าพวกเรา ขึ้นรถเม์ถูกสายนะพวกเราก็จะไปถึงปลายทางกันแน่นอนทำนองเดียวกันที่บอกว่ า, าคู่แห่งบุตรสี่คู่เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าพวกเราเดินบนเส้นทางนี้พวกเราไจะต้องไปถึงจุดที่เป็นพระโสดาบันจนได้พวกเราเดินบนเส้นทางนี้พวกเราก็ต้องไปถึงจุดที่เป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะว่าทางตรงนี้เนี่ยเป็นทางที่พวกเราจะต้องลงมือทากัน แล้วก็ทางนี้เนี่ยเป็นทางที่พวกเราเนี่ยจะต้องเป็นเพียรให้ถูกทางการเพียรให้ถูกทางเนี่ยก็คือการที่ต้นเหตุของความเป็นทุกข์เนี่ยก็คือความคิดต้นเหตุนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุที่พวกเราจะต้องละกันการที่พวกเรายกมือสร้างจังหวะแล้วบอกว่าเมื่อเห็นว่าคิดรู้ว่าคิดเนี่ยก็กลับมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวใหม่ เมื่อรู้ว่าคิดนะก็กลับมาอยู่การที่ไกายเคลื่อนไหวให ม, หม่ตรงนี้แหละเป็นการที่เราหัดเขาเรียกว่าหัดละความคิดหัดสละความคิดออกไปตรงนี้เราเป็นสิ่งที่เราจะละต้นเหตุของความเป็นทุกข์แล้วก็ตรงนี้แหะถ้าพวกเราได้สังเกตนณะขณะที่ความคิดนะไม่สามารถทําอะไรเราได้ตรงนั้นเนี่ยจิตใจเราก็เป็นเช่นปกติความว่าเป็นปกติเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติ แล้วก็ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จังหวะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสก็จะบอกบอกว่านี่คือคําว่านิพพานชิมลองเราได้ชิมนิพพานแล้วเราได้รู้ไหมอย่างเงี้ยเนาะวันที่8เมื่อวานก็เป็นวันที่อาจารย์พุทธทาสได้มรณาภาพไปครบเนาะครบรอบจําไม่ได้ว่าครบรอบอกี่ปีนะฮะแต่ว่าก็คงประมาณสักสิกว่าปี ซึ่งตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะก็ได้ให้ก็เรียกว่าให้ธรรมะกับพวกเราเอาไว้ให้ทิศทางแนวทางกับพวกเราเอาไว้มีแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะลงมือปฏิบัติกันไหมถ้าพวกเราลงมือปฏิบัติกันพวกเราก็เดินบนเส้นทางสายนั้นแล้วพวกเราก็จะได้ก็เรียกว่าได้ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันทุกๆคนก็อยากให้พวกเราได้เพียงในทางที่ถูกแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ย ได้เพียนอย่างไม่ท้อถอยแล้วก็ความไม่ทุกข์ก็จะเป็นของพวกเราทุกทุกคนก็ให้พวกเรากลับถามพร้อมกัน